พระโมกคลานะเทระก็อยู่กับพระเทระมาตั้งแต่เด็กๆบำเพ็ญฌานสำเร็จตายแล้วไปบังเกิดในพรหมโลกก็มีนามว่ากากุทธพรมเพราคนระดับพรหมเนี่แล้วก็โดยพื้นฐานก็คือเป็นชาวพุทธอยู่แล้ว มาเฝ้าพระพุทธเจ้าตอนที่ประทับที่อัญชนาวันสถานที่ให้อภัยแก่เนื้อที่เมืองสาเกตสาเกตก็อยู่ระหว่างกรุงรัชคฤกับกรุงสาวัตถีเป็นที่ตั้งคฤหาดของตนชัยเศรษฐีพ่อของนางวิสาขา ท่านบอกว่าหลังจากปฐมยามผ่านไปแล้วเมื่อถวายพิวาทแล้วเกร์กุทะเทพบุตรก็ได้กราบทูลถามและทรงตอบไปตามลำดับความว่าข้าแต่พระมาสัมณพระองค์ทรงยินดีอยู่หรือพระเจ้ารับสั่งตอบว่าเราได้อะไรเล่าจึงยินดี ฉันก็ถามว่าถ้าอย่างนั้นพระองค์ทรงเศร้าโศกอยู่หรือผู้จารับสั่งว่าดูก่อนผู้มีอายุเราเสื่อมจากอะไรจึงจะเศร้าโศกเธอก็เปเห็นงกับตามอีกว่าข้าแต่ประมาณสำน้าถ้าอย่างนั้นพระองค์ไม่ทรงยินดีเลยไม่ทรงเศร้าโศกเลยหรือกระับสั่งว่าเป็นเช่นนั้นที่ษุผู้มีอายุ บ่อไท่านก็ถามต่อว่าข้าแต่ภิกษุพระองค์ไม่มีทุกข์บ้างหรือความเพลดเพลินไม่มีบ้างหรือความเบื่อหน่ายไม่ครอบงำพระองค์ผู้ประทับนั่งแต่พระองค์เดียวบ้างหรือตัวนี้มีประเด็นที่ควรจะทําความกระจายอยู่หลายประเด็นเนี่ยคือรเราเห็นว่าการยินดียินร้ายเนี่ย มันเกิดมาจากกิเลสประเภทราคะกัลปะก็ก่อให้เกิดยินดีถ้ายินร้ายก็เกิดจากกิเลสประเภทโทสะเพราะฉถ้าคนเราไม่มีกิเลสเนี่ยความยินดียินร้ายมันก็ไม่มีแม้แต่สามัญชนทั่วๆไปเนี่ยให้ลองสังเกต ด, ดูเถอะว่ามีสิ่งเป็นอันมากที่เราไม่เคยพบเห็นมาก่อน มันไม่เกิดความยินดีหรือความยินร้ายคืออยากได้หรือไม่อยากได้จะเกิดการตัดสินใจในตอนหลังคือหลังจากได้ศึกษารายละเอียดในเรื่องเหล่านั้นไปแล้วกระบวนการทางจิตมันก็เกิดหมายความมาตาเห็นหูได้ยินหรือจมูกได้สุดดมหรือลิ้นได้ลิ้มหรือกายได้จับต้องหรืออาจจะหลายๆอย่างรวมกันในเรื่องเดียวกัน แล้วมันเกิดพอใจคือสังขารขันเนี่ยมันเกิดใจก็กำหนดว่าไอเนี้ยสวยไพเราะอร่อยหอมอะไรก็แล้วแต่มันก็เกิดเป็นสุขแล้วก็เก็บจำไว้ภายในใจก็กลายเป็นกระบวนการทางจิตคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเขาทำงานประสานสอดคล้องกันไปในอารมณ์เดียวกัน จะว่าทำหน้าที่คนละอย่างกันเพราะเมื่อไปเจอครั้งต่อต่อไปเราก็เกิดความยินดียินร้ายแต่พระเจ้าเป็นพระอรหรันต์แปลนั้นแปลว่าผู้หักกรรมแห่งสังสารวัฏหมายความว่าหักกิเลสกับกรรมกิเลสนั้นหมายถึงว่า หลังจากได้ส่งศัตรูทั้งกิเลส ท, ทั้งกรรมในมันดับแต่ว่ากิเลสในอดีตมันดับไปแล้วแต่ว่ากรรมในอดีตยังมีโอกาสจะตามมาให้ผลได้เพราะว่าเป็นเรื่องกุเหตุและผลกันกรรมนั้นได้กระทําในขณะที่จิตยังมีกิเลสอยู่ วันเลยจึงพว่าพระพุทธเจ้าพระหันทั้งหลายก็ประสบพิบากกรรมมากบางน้อยบ้างของพระพุทธเจ้าเราก็มีทั้งหมดทั้งดีทั้งไม่ดีก็มีทั้งหลายสิบเจ็ดครั้งด้วยกันพอถ้าเรามองกลับไปที่ทุกขสัตว์ที่อธิบายทุกขสัตว์ชาติปีตุกขาจาราปีตุขามนต์ปีตุขา ชาติความเกิดเป็นทุกข์ชราความแก่เป็นทุกข์มรณะความตายเป็นทุกข์แล้วก็โศกกระปริเทวทุกขะโทมันนาตุปายาททั้งหลายเนี่นะมันเกิดจากการรู้สึกกลัวตัวเองพลัดพรากสูญเสียจากคนสัตว์สิ่งอันเป็นที่รักหมายความว่าการพลรัดพรากนั้นเป็นเรื่องนิรันดิ์แต่ถ้าเราไม่เอาตัวเองเข้าไปบวกว่าเราพลัดพราก เราสูญเสียเราก็ไม่โศกเพราะการพลัดพรากมันมีอยู่ทุกวินาทีเลยเยอะแยะไปหมดวันๆเนี่ยก็พลัดพรากกันเยอะมากมายไกลก่แต่ก็เราไม่รู้สึกสะดุดสะเตือนอะไรเพราะว่ากิเลสไม่ได้เกาะติดอยู่ในสิ่งเหล่านั้นด้วยความรู้สึกว่าเป็นของเราหรือว่าเป็นเราหรือเป็นตัวเป็นตนของเรา แม้จะมีการพลาดพลาดสูญเสียมันก็ไม่ได้รู้สึกว่าเราสูญเสียหรือของเราต้องแตกทำลายไปเพราะกิเลสเป็นอะไรยึดอย่างนั้นไม่มีเพราะนิยามคำว่าอลาหังก็มีความหมายสี่ความหมายใหญ่ก็หนึ่งก็คือหากกรรมแห่งสังสาจากได้แก่อวิชาตะนาวประธานกรรมพวกงง่ายกิกิเลสแก่กรรม แล้วก็เป็นผู้ไกลจากกิเลสหมายความว่า ม, มีอารมณ์มากระตุ้นให้รักก็ไม่รักให้โศกก็ไม่โศกให้สัง่งก็ไม่สัง่งให้ยินดีก็ไม่ยินดีให้ยินร้ายก็ไม่ยินร้ายเพราะมันก็ไม่มีอะไรให้โศกอ่ะดังนั้นเวลาที่จริงเป็นพรมนะในทีน่นี้พอดีมันไปอยู่ใน เทวตาสังยุตท่านก็เรียกว่าเทวดาแล้วก็ถามว่าพระองค์ทรงยินดีอยู่หรือคือการยินดีเนี่ยมันเป็นอัสาธาเป็นกิเลสประเภทราคะประเภทโลภะอาจจะเรียกว่านันทราคะบ้างเรียกจะทันทราคะบ้างรอาจจะเรียกว่ารติบ้างก็จจเรียกว่านันชี้บ้างนะก็แล้วแต่ แต่ว่าทั้งหมดมันเป็นอาการกิเลสเพราะนเมื่อเมื่อพระพุทธเจ้าไม่มีกิเลสมันก็ไม่มีเหตุแล้ต้องยินดีทีนี้เศร้าโศกมันก็ต้องรู้สึกว่าเราเศร้าโศกเราพลัดพลากเราสูญเสียญาติเราตายพี่น้องเราตายของเราแตกทำลายละะอะไรคือมันมันต้องมีเราเข้าไปอยู่ตรงนั้นด้วยทำางานเราก็จะไม่เศร้าศกเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนั้น แ่ก็ถามสรุปว่าไม่ทรงยินดีแล้วก็ไม่ทรงเศร้าโศกเลยหรือพระพุทธเจ้ากระรับสั่งมาเป็นอย่างนั้นตอนพระพุทธเจ้าพระหันทั้งหลายเนี่ยท่านเป็นตาที่โนคือคงที่ไม่หวั่นไหวไปกับอารมณ์ของโลกทั้งหลายตอนความยินดียินร้ายเวลากระทบอารมณ์เนี่ยอารมณ์มันก็สองไปว่าอารมณ์รูปก่สักเตว่ารูปเสียงก็สักเตว่เสียงกลิกก่นก็สักเตว่ากลิ่นรสก็สักเตวร่รส ในความลองสังเกตนะเราก็ทำได้ระดับหนึ่งให้ลองสังเกตว่าเราเห็นอะไรเยอะแต่เราไม่อยากได้ไม่ยินดียินร้ายก็มองเฉยๆอาจจะเข้าไปใ่ห้างสรรพสินค้าไปเห็นสินค้าเยอะแต่ก็ไม่มีความอยากได้แม้แต่การโฆษณาประชาสัมพันธ์ชวนชวนชากชว น, ชว น, จ, าชวนจากสื่อต่างๆนี่มีเยอะแต่ก็รู้สึกเฉยๆนั้นก็แสดงว่าถ้าจิตไม่กำหนด ไม่ตีราคามันเนี่ยมันไม่มีราคาแต่ว่าจิตเราเกิดไปไปให้ความสำคัญแก่มันจิตเราจึงต้องแปลผันไปตามความเปลี่ยนแปลงของสิ่งเหล่านั้นพระเจ้าทรงใชัคำกากาหนดจิตเป็นกำหนดหรือดำริเอายังทรงเปล่งเป็นพุทธอุทานตอนสรใุใหม่ ทรงตรวจสอบดูสภาพจิตทางฟังก็สังเกตได้นะว่าปัญหาตรงนี้มันหนึงมีอยู่เยอะตอนที่บำเพ็ญทุกการกิริยาแล้วก็เปลี่ยนมาไปบำเพ็ญเพียรทางจิตออทรงวิเคราะห์ที่ประเทศไทย ว่าพระไทยของพระองค์ในยังมีกิเลสกรรมอยู่ไหมยังมีการกําหนดอารมณ์ด้วยอำนาจน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจอยู่ไหมโดยคิดจากท่อนไม้สามท่อนท่อนไม้ท่อนหนึ่งเป็นไม้สดที่ชุ่มอยู่ในยางและวางไว้ในน้ําท่อนหนึ่งเป็นไม้สดแต่วางไว้บนบกก็เปียกยาง อีกไม้ท่อนหนึ่งก็เป็นไม้แห้งที่วางอยู่บนบกคือไม่เปียกทั้งทั้งน้ำทั้งอย่างมันก็น้อมก็มาดูพระไทยทียบเคียงทะไทของพระองค์เห็นว่าพระองค์ค้นไปทางประเภทสามก็คือแห้งแล้วก็ปราศจากอย่างแต่ไม่ถึงกับมีความพร้อมเต็มที่ พระวก็ทรงปรับโดวยวิธีต่างๆแล้วก็หันมาพิจารณาทบทวนถึงพระญาณที่ทรงบรรลุมาตั้งแต่สมัยโน้นสมัยเป็นราชกุมารสมัยศึกษาอยู่ในสำนักลาดาบทการามโคอุตกะดาบทรามบุตรจนได้บรรลุสมาบัตแปดนะฮะเพราะฉะนั้น ก, ก่อนที่พระโพธิสัตว์จะขึ้นไปบนต้นโพเนี่ยได้สมาบัตแปดแล้วเพราะสมาบัตแปดทรงชนานาญมาก คื่งคืออะไรก็ทาม แ, แค่กับภาษาเนี่ยแอบภาษาว่าเราเกิดทางภาคใต้เราเกิดทางภาคเหนือเราเกิดทางภาคอี ส, สานก็อยู่สักสีห้าขวบหนึ่งแล้วก็กลับมาอยู่กรุงเทพมายุงเทพอาจจะอยู่สักสิบปีสิบ้าปีเนี่ยมันก็กลับไปถึงก็พูดได้หรืออย่างน้อยๆก็ฟังรู้เรื่องเพราะสภาพจิตที่ผ่านการบรรลุฌานแล้วเนี่ย มันเกิดเป็นความํานาน เ, าเรียกเป็นวัด ส, สีคือมีควา ม, มํนานิจํานาญในการเข้าในการออกในการพิจารณาในการอยู่คือท่านมีความจานานหมดตอนตอนนั้นที่จริงแล้วเนี่ยคือเป็นเรื่องที่น่าเสียดายอย่างหนึ่งคือคือระบบการศึกษานีสังเกตอย่างหนึ่งว่าเราไม่เคยมองในมิติประวัติศาสตร์ ที่จริงเนี่ยาการคนการกระทําแล้วมันมีเวลามันมีสถานที่มันมีเจตนามันมีองค์ประกอบมันมีกลุ่มคนมันมีบุคคลอะไรต่อะไรต่างๆสภาพแวดล้อมต่างๆเนี่ยเราลืมนึกถึงเรื่องเหล่านี้และบางทีเราก็พูดดุไปโดยไม่นึกว่าไอ้นี้มันคนละการลเทศละการยังมีการอธิบายนะฮะ แม้แต่ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเราเนี่ยบางทีก็อธิบายตันหาราคาละจีนี่เป็นกิเลสที่เกิดขึ้นมากระตุ้นพระไทยของพระองค์ให้วันไหวพูดได้ยังไงเพราะตอนที่นางตันหาราคาละตีมายุ่ยนพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงสัสรู้ผ่านมาสัปดาห์ที่แปดแล้วอาสวัคยานบรรลุมาตั้งแปดสัปดาห์แล้ว เจ็ดสัปดาห์กว่าแล้วนะครับเพรา ะ, ะนั้นตรงนี้มันกลายเป็นเทพธิดาแต่ทีนี่ตามปกติคนชาวพุทธเราในโอกาสจะไปอ่านพระไตรปิฎกนี่มันน้อยแล้วก็จะใช้ความคิดเห็นนี่จะเยอะคือเรื่องของพระพุทธเจ้าเราใช้ความคิดเห็นไม่ได้หรอก เราต้องเป็นเรื่องของความจริงที่เป็นอย่างไรก็คือเป็นอย่างนั้นแหละเราไม่มีสิทธิไปใช้ความคิดเห็นพอแสดงความคิดเห็นบางทีมันอยู่ในคมพีเคยเจอคำพีนะคำพีเทศเนี่ยบังทีเราได้ยินได้ฟังทันเทศเราก็อึดอัดเ อ, อหลวงพ่อแต่งกันเทศไม่ดูคำพีเลยนะ และการอ้างบางอย่างเนี่ยอ้างนี่พระพุทธภาษิตอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นคือคือไม่ได้นะมันต้องแม่นเลยวันนี้เป็นพุทธภาษิตนี่เป็นพระมารดาภาษิตนี่เป็นเทวตาภาษิตนี่เป็นอิสิภาษิตนี่เป็นโบราณบัณฑิตภาษิตต้องจําต้องจําได้ถ้าอ้างแล้วไม่แน่ใจระบอกพุทธศาสนาสภาวิตทคือสุภาษิตทิ์ในพระพุทธศาสนา ก็ไม่เสียหายเพราะเราเห็นว่าความยินดีความเศร้าโศกมันเป็นอาการของกิเลส ท, ที่เกิดขึ้นจากจิตไปยึดมั่นถือมั่นทีนี้พระพุทธเจ้าท่านไม่มีกิเลสเพราะนจึงไม่มีอาการทั้งยินดีหรือว่ายินร้ายแล้วก็ไม่รู้สึกเหงานะฮะไม่รู้สึกซึมเศร้าไม่รู้สึกเหงาเพราะว่ามุนีเนี่ยเขาก็นี่ อยู่คนเดียวคือคือวิถีชีวิตชาวบ้านกับวิถีชีวิตของพระเนี่ยจะต่างกันคือพระเนี่ยอยู่คนเดียวได้เป็นเป็นวันวันหลายๆวันก็อยู่ได้และยิ่งพระที่จะริกเที่ยวทุดดงไปในที่ต่างๆนี่เราเห็นว่าโอกาสาที่จะพบคุยกับชาวบ้านเนี่ยมีน้อยเพระเาะในจิตใจมันก็น้อมเอียงไปในทางนี้แล้วก็รู้สึกสบายที่จะอยู่อย่างนั้น มันอยู่ที่ความเสพพุ้นของจิตบุคคล่ได้ความไม่ยินดียินร้ายของพระพุทธเจ้าเนี่ยอุปมาเหมือนกับภูเขาสิลาแท่งทึบที่ไม่หวั่นไหวด้วยลมซึ่งพัดมาจากทิศทั้งหลายได้ทรงแสดงสภาพจิตของคนสองประเภทเอาไว้ เภทแรกเนี่ยขึ้นต้นด้วยสุภานุปสิงวิหรันตังหมายความว่าคนที่มีจิตไปกำหนดอารมณ์ว่ารูปสวยเสียงไพรอกกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสน่าจับต้องเนี่ยปกติเป็นอย่างนั้ น, นใจแกก็สายแกก็ไม่อยู่ น, นิ่งก็สายไปเรื่อยๆมันจะเกิดเป็นการไม่สำรวมระวังอินทรีย์ อยากดูอย่างนั้นอยากฟังอย่างนี้อยากดมอย่างโ น, น้นอยากกินอย่างนั้นเราก็นึ ก, น, กนึกถึงว่าวิถีชีวิตที่ชาวโลกเขาเขาอยู่ไปแล้วเนี่ยมันกระตบกกระเทือนเป็นวงจรนะกระตุกระเทือนเป็นวงจรแล้วก็เทือนกันทั้งแถบไปเลยการมีโรงแรมหรูหรูมีอาหารราคาแพงแพง ่ายใช้จ่ายต้องสูงลงทุนต้องสูงธรรมชาติเนี่ยถูกทำลายไปยุบยับบนปี้หมดเลยเมื่อก่อนดูรายการอะไรเขามีปลาอะไรมีปูวรัตสก้ามาจากอาร์ตสก้าเอามาขายที่เมืองไทยเนี่ยปูวรัตก้าสดๆอ้ยราคามันแพงนานมาแล้วตอนนั้นโยม ปกุกสกุลชินวัตรเนี่ยคือท่านมาเอาน้ำส้มมาถวายท่านอยู่คุณพรมพรหมณีวิชัยที่วัดก็ไปเจอกันก็ก็ซาวโยบองโย ม, โยมน้ำส้มในราคาแพงนะเพราะบ้านท่านอยู่สุขุมวิทอ่นะเอาน้ำส้มมาขวดเดียวเพื่อมาถวายพระที่วัดประวัตินางรถเบนมาเอาน้ำส้มมาหนึ่งขวดเพื่อมาถวายพระที่วัดประวัต มันมูลค่าของน้ำซ้ปเนี่ยมันเพิ่มขึ้นด้วยเวลาด้วยเงินตราด้วยค่าน้ำมันด้วยอะไรต่างๆอีกเยอะลนี่คืออะไรคือพวกวัตถุกรรมเพราะงัพวกนี้มันก็เป็นเหยื่อที่ล่อเป็นเครื่องล่อแล้วก็ล่านะฮะจะต่อถึงทําลายสิ่งมีชีวิตทั้งหลายเพราะนั้นตใดที่คนเรายัางมีกิเลส จิตใจก็หนไหวสั่นไหวไปตามอารมณ์หลานั้นเพรา ะ, ะนั้นพระพุทธเจ้าจึงไม่หวั่นไหวเพราะว่ากิเลสเป็นเหตุให้หวั่นไหวไม่มีมันเหมือนกับเราเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเราก็ไม่อยากได้ตุกตต๊กตาอะไรตุ๊กตาบาร์บี้อะไรที่เขาเล่นไงนนะเกณฑ์นึกว่าเออพไปมันมันมั น, ม, นมันตื่นเต้นมันสนุกสนานเวยเกิน ก็ยังนึกบางทีก็นึกทบทวนนะี่นะนึกทบทวนว่าเฮ้เราตอนเป็นเด็กเราจะอยู่บ้านนอกก็ไม่ค่อยพบเห็นในเรื่องเหล่านี้แต่เราก็ไม่รู้สึกอยากได้นะไม่รู้สึกอยากได้อย่างของที่ก็เดกเด็กเขาอยากได้กันอาจจะเพราะอะไรเพราะว่าเราเราเห็นอย่างหนึ่งคือเราไม่เคยเห็นเราไม่เคยรู้คุณค่าของสิ่งเหล่า น, นั้นเราก็ไม่อยากได้ ความอยากใหม่ๆมันเกิดขึ้นด้วยการโฆษณาประชาสัมพันธ์โดยการสัมผัสโ ด, ดยการลิ้มโดยการชิมโดยการจับต้องเป็นต้นเนี่ยไอตัวสังขารเนี่ยสังขารฝ่ายที่เป็นอกุสลมันก็เกิดความพอใจความยินดีจิตก็จํเอาไว้นัดสัญญาก็จํเอาไว้ทำในที่จาเอาไว้ แล้วก็รู้สึกเป็นสุขที่ได้ลิ้มได้ชิมได้สัมผัสอย่างนั้นแล้วก็เก็บเอาไว้พลังเห็นอีกก็อยากได้อีกบางทีก็คิดขึ้นมาเองก็อยากได้ไปแสวงหาสิ่งเหล่านั้นมีเรื่องเป็นดังมากนะที่ไม่จำเป็นอะไรขนาดนั้นแต่ว่าคนเราก็ไหลไปตามกระแสะบางกลายเป็นกระแสะสร้าง กระแสสร้างหรือแม้แต่คนที่พูดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเราดูความเป็นอยู่ของเขาโอ้โหมันไม่พอเพียงอะ่ะมันหรูเลิศเลยหรูหรามากเลยเกิดเนี่ยแต่ว่าท่านก็ลงจากครหาร์มาพูดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงได้ลงจากรถราคาแพงๆมาพูดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเนมันก็พูดได้อ่นะฮะแต่ว่าเราจะเห็นว่าถ้าเราเข้าถึงได้จริงๆ แต่ก็ต้องดูความเหมาะความควรไม่ใช่ว่าครอบครัวมีตั้งสิบกว่าคนแล้วกอ็อยู่อย่างยากจนไม่พออยู่พอกินอย่างนี้มันก็ไม่ได้มันก็เรียกว่าพอเหมาะพอควรด้วยพอดีพอประมาณพอใจทีนี้ประเด็นที่แปลกก็คือว่าพรมนีเรียกพระพุทธเจ้าพุิกสุเรียกว่า เรียกว่ามหาสมณาก่อ น, น ะ, ะเรียกว่ามหาสมณาก่อนแล้วก็มีคำหนึ่งที่ท่านเรียกว่าภิกษุภิกษุเป็นภาษาที่มีมาก่อนพุทธกาลเราจเห็นว่าเทวทูตทั้งสี่เนี่ยประเภทที่ประเภทที่สี่เนี่ยก็คือภิกษุหรือสมณะเนี่ยซึ่งเป็นเหตุให้เจ้าชายสิท ธ, ธัตถสินมัทัยเลือกเพศในวิถีตรงนี้ พจนคํำว่าภิกษุแปลว่าผู้เห็นภัยในการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏแล้วเราก็ไปใช้ในความหมายว่าถู้เที่ยวไปเพื่อพิฆาจาร์คือเที่ยวบินทบาตแต่ว่าโดยเนื้อหาสาระที่เรียกเนี่ยก็ไม่จะเรียกความหมายนั้นเรียกความหมายว่าผู้เห็นภัยในสังสารวัฏเห็นภัยในการเวียนว่ายตายเกิด เทวดาก็กราบทูลถามถามสามสี่ประเด็นนะครพระองค์ไม่มีทุกข์บ้างหรือความเพลิดเพลินไม่มีบ้างหรือความเบื่อหน่ายไม่ครอบงำพระองค์ผู้ประทับนั่งแต่พรองค์เดียวบ้างหรือซึ่งก็ทั้งหมดเนี่ยมันก็มีไม่ได้นะเพราะว่าทั้งหมดประเภทอาการกิเลสทั้งนั้นเลยพระพุทธเจ้าเรียก เรียกชื่อของพระพรมเนี่ยวัฎูก่อนท่านผู้อันคนบูชาเราไม่มีทุกเลยและความเพลิดเพลินก็ไม่มีอันหนึ่งความเบื่อหน่ายก็ไม่ครอบงําเราผู้นั่งแต่ผู้เดียวคือความทุกข์เนี่ยมันเกิจกดจากจิตยึดมั่นถือมั่นมีอัตตาตัวตนให้ยึดนะฮะว่าเราเป็นทุกข์หรือว่าทุกข์เป็นเราหรือเรา อยู่ในทุกทุกอยู่ในเราก็แล้วแต่ก็ทำให้มันเกิดรู้สึกตัวเองเป็นทุกข์แต่พระพุทธเจ้าโดยพระทยจริงๆของพระหันจริงๆเนี่ยท่านไม่มีความรู้สึกอย่างนั้นจึงไม่มีความโศกไม่มีอะไรที่จะมาครอบงำจิตใจท่านได้พระองค์ก็กล่าวว่าข้าแต่ภิกษุทาไมพระองค์จึงไม่มีทุกข์ ทำไมความเพลิดเพลินจึงไม่มีทำไมความเบื่อหน่ายจึงไม่ครอบงำพระองค์ผู้นั่งอยู่ผู้เดียวถ้าเราสังเกตนะว่าอารมณ์เหล่านี้แน่นอนสมบูรณ์เป็นอัตโนมัติของพระเจ้านี่อัตโนมัติแต่ถามว่าสามัญชนเรานี่ทําได้ไหมก็ไม่ใช่ทุกท ก, กรณีแต่ทไในบางกรณีได้ไหมว่า บรรเทาทุกเสื้อบ้างได้ไหมลดความเพลิดเพลินเสื้อบ้างได้ไหมแล้วก็อย่าไปเบือหนา่ายอย่าไปเส็งอารมณ์ต่างๆมากเกินไปอย่าไปออคื อ, ค, อคือเรื่องบางเรื่องเนี่ยมิโยมอยู่คนหนึ่งก็เข้าม า, ว, าวันเสาร์ก็ตอนบ่ายๆเนี่ยก็จะมักจะแวะมาที่กุฏิบ่อยแล้วก็เตือนเครื่อยงโยมอย่าแบกโลก โลกนี้เขามีให้เหยียบมีปัญหาเยอะมาเล่าเนี่ยแล้วบอกโยมอย่าไปแยกมันคือปัญหาเป็นอันมากมันนอกวิสัยที่เราจะไปคิดจะไปทําอะไรได้พูดไปมันก็ทอานั้นเองแล้วบางครั้งมันเป็นการเพิ่มบาปไปพูดไปมันก็เพิ่มบาปเปล่าก็ไร้สาระ เพราะงั้นก็พยายามบรรเทาความรู้สึกเหล่านี้ออกไปแล้วการที่อยู่คนเดียวเนี่ยก็นึกถึงว่าเจ้าชาตริราาัต t ประชาชนพรรษาเจ็ดขวบนั่งอยู่คนเดียวเงี้ยนะน่าจะเหงาอะแต่ไม่เหงานั่งสมาธิจะเลยเห็นไหมใช้โอกาสมันรู้เรามันอยู่ที่การรู้จักใช้โอกาสโอกาสที่จะ ทำใจเราให้สงบอย่าไปคิดฟุง้งซ่านอะไรมากเกินไปพระเจ้าก็ทรงแสดงให้เห็นว่าผู้มีทุกข์นั่นแหละจึงมีความเพลิดเพลินผู้มีความเพลิดเพลินนั่นแหละจึงมีทุกข์ไอนี้คือคือเขาเรียกว่าเป็นอัญญามัญญะปัจเจกันหมายความว่าทุกข์ในที่นี้ก็คือ ยังรู้สึกว่าตัวเองแก่ตัวเองเจ็บตัวเองตายตัวเองพลัดพรากตัวเองสูญเสียนะถ้ายังรู้สึกอย่างนี้อยู่เนี่ยคือจิตที่ยึดอะพวกแงว่าจิตที่ยึดมันหรือมันเนี่ยมันเป็นทุกข์ทีนี้เมื่อจิตไปกําหนดว่าอันนี้สนุกมันก็เพลินอันนี้ไม่สนุกมันก็เหงาเศร้าแล้วถามดูจริงๆว่าเราคิดตัวเองอะ เราคิดเราเองใกล้ๆกันละเมงละครที่เขาแสดงทางโทรทัศน์เนี่ยคือถ้าเราลองสังเกตว่เป็นความคิดของคนคนหนึ่งเป็นความคิดของคนคนหนึ่งที่สร้างสรรปั้นแต่งขึ้นมาแล้วแกก็เป็นคนพวกโมหจริตอะฟุกฟุงสวิตตกจริตอะฟุกฟุงอะแต่มพวกมีทิศทางแล้วก็แต่งแต่ถ้าเราพยายามอ่านเนี่ย มันซ้ำซากอะความคิดในเรื่องนวนิยายของไทยอย่างคือจริงๆเราดูแล้วไม่เคยพัฒนาความคิดซ้ำซากแล้วจาเนี้ยได้มรดกแบบลอยๆมรดกเจ้าคุณปู่ถูกพลัดพรากถูกแจกไปถูกอะไรอะไรต่างๆแนวเนี้ยหรือแนวของจริงก็มันจะเริ่มต้นโดยการที่มีผู้ใหญ่ในครอบครัวถูกฆ่าตายแล้วก็ลูกไปหลบซ่อนอยู่ แล้วก็โจรก็นึกว่าคนตายหมดแล้วก็ไปหยิบช่วยเข้าของที่ตัวเองต้องการนวก็จากนั้นลูกก็จะวิ่งมาหาพ่อพ่อก็จะกระซิบที่หูเบาๆให้ลูกแก้แค้นแล้วก็ตามตอนนั้นก็ตามล้างตามฐานก็ฝึกวิจยยัยเยอดแล้ว ก, ก็สัน้นๆสั่งๆเมื่อทำไ้นึกถึงบทความหนังสือพิมพ์เราเสียเวลาไปอ่านบทความความคิดเห็นของมนุษย์อะ มันเป็นอาชีพของแกและแกระบายอ่ะที่จริงแกระบายอารมณ์ของแกออกมาและบางคอลัมน์เนี่ยเอียงจนตกขอบเลยเฮ้เราไปอ่านเขาทำอะไรไปอ่านทำไมความคิดของคนอย่างนั้นเนี่ยคือถ้าอ่านเดี๋ยวนี้มันก็จะอ่านเนเรื่องที่เป็นวิชาการเรื่องที่เกี่ยวกับวิชาการเนี่ยใช้ได้นะฮะ แต่ถ้าเรื่องการเมืองเละเละไม่รู้เรื่องเลยเรื่องเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจเรื่องเกียกเเก่ยวกับสังคมส่วนมากแลยจะเอียงเพราะอะไรเพราะในความเป็นการเมืองก็ดีเศรษฐกิจก็ดีสังคมก็ดีมันมีคนแล้วคนเนี่ยเรามีรักมีชัง สังคมพุทเรานั้นอยู่กับกฎของกรรมมานานแต่ว่าสังคมพุทธอย่างอ่อนไหวไปกับคนไม่ได้มองคนที่กรรมแล้วก็กล่าวหาใส่ร้ายป้ายสีจนนึกถึงแนวเกิดโบราณนะ่ยนะฮะพวกจวเวิตทั้งหลายเนี่ยจวเจวิตทั้งหลายแถวอินเดียก็ดีแถวไทยเราก็ดีเนี่ยบางทีมีเยอะเลยบางทีเป็นอุบัติเหตุเฉย เช่นสมมติว่าโคมาถ่ายเอาไว้คนมาเดินเห็นแกอาจจะถืออะไรมานะถืออะไรมาแล้วก็กลัวคนอื่นจะเหยียบเอาแกก็เอาดอกไม้ที่แกถือมาเนี่ยโยนปิดเอาไว้นะคนอื่นก็มาโยนลงไปเห็นดอกไม้หลายดอกหลายดอกค่ะเอาบางคนก็ข้ามาตรงนั้นแหละมันกลายเป็นจเจวิต กลายเป็นที่เคารพสักการะขึ้นมาแล้วคนที่โยนครั้งแรกลืมลืมันตรงนิ้มขี้อวนอี่งเลยมาไหว้เขาด้วยที่หลังมาไหว้เขาด้วยคือหลอกหลอกจนตัวเองเชื่อด้วยเหมือนคนหลอกผีนะหลอกผอีแนวนั้นเลยหมายความมันหลอกจนตัวเองไปเชื่อว่าเป็นจริงด้วยสังคมเราอ่อนแอมากในเรื่องเราเานี้ ไม่ได้มองที่กรรมเลยมองที่คนแล้วก็ตีคือเรียกว่าเหมาวรวบไปเลยคือเราเห็นสังคมนี่ชัดเจนว่าเาเกลียดสุดๆรักสุดๆแล้วไม่มีเหตุผลทั้งคู่เลยเกลียดเขาเพราะอะไรรักก็เพราะอะไรให้คําตอบไม่ได้ฮะเวลาเนี้ยแม้แต่องค์กรของชาวพุทธเราเอง ่ยกตัวอย่างมาศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาบันก่อนก็มีกรรมการมากระซิบบอกว่าคนลดไปเยอะถามมาเรื่องอะไรอ่ะก็มีความเห็นขัดแย้งกันทางการเมืองคนหนึ่งสนับสนุนกลุ่มหนึ่งคนหนึ่งไม่เห็นด้วยแล้วก็เห็นตามที่ตัวเห็นแล้วพุทธทโกรทีนี้คนอย่างเงี้ยเราใจน้อใจไม่สึ้ เพราะมันมีเริ่มต้นที่คนคนเราจะมีรักไม่ชังเพราะหลักการพุทสนาจึงมองที่กรรมทียงเคยยกตัวอย่างนะว่าทรงสอนว่าให้ใช้ปัญญาพิจารณาเทียบเคียงโดยรอบครอบแล้วตำหนิคนที่ควรตำหนิเมื่อเขามีการกระทำที่ควรแก่การตำหนิ เราไม่ได้ตำหนี่ไปตลอดแต่ว่าในกรณีเนี้เรามองที่กรรมว่าใครทำก็ไม่รู้อะก็ไม่ดีทั้งนั้นทีนี้ยกย่องสรรเสริญก็เหมือนกันมันก็ต้องผ่านการใช้ปัญญาพิจารณาเทียบเคียงหรือรอบครอบแล้วยกย่องคนที่ควรยกย่องเมื่อเขามีการกระทำที่ควรแก่การยกย่องหรือการเคารพตั้งถือมันเปนลักษณะอย่างนั้นเนี่ย แต่ที่น่าน้อยใจคือสังคมเราเนี่ยมันถูกกระแสนี่ฉุดกระชากไปได้ง่ายๆธรรมดาวันก่อนไปใน ง, งานศพโยมผู้ใหญ่นะฮะอายุร้อยกว่ า, ารูา้สึกแ่ร้อยสามปีสรานสาของท่านก็มากระสิบบอกบอกเนี่อายุร้อยสามปี แล้วก็อยู่ศาลาสามแล้วก็หวยออกอะไรอะไรสามหนึ่งสามเหมือนกันนะฮคือคือคือไปโยงอย่างนั้นมันก็ได้ดังนั้นแหละแต่มันคนละเรื่องกันที่จริงอ่ะคนละเรื่องกันแต่เราก็ไปผูกโยงกันไว้อย่างตอนที่วันที่ผ้าเมษาที่แล้วเนี่ยมาก็ อกศินะก็จัดงานทำบุญวันเกิดครบเจ็ดิดสองปีให้ก็ถือว่าเจ็ดรอบแล้วมีคนเข้าไปแทงหวยคือแทนที่ก็จะทองแทงว่าเจ็ดสามเนี่ยเจดสองเนี่ยกขาไม่แทงก็แทงเป็นสองเจ็ดก็มีคนถูกหวยกันแล้วก็มาบอกว่าวนวันเกิดจกคุณดีจังเลยถูกหวยเอา้ามันเกี่ยวอะไรกันคือคน ในแต่ละวันที่อายุ72เนี่ยมันเยอะแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยนะคยนะค่อยอายุครบ72ก็เยอะครบ73ก็เยอะจบ74ก็เยอะมันจะเอาอะไรหรอคือคือถ้าเราไปผูกโยงอย่างงั้นมันก็สามารถผูกโยงได้เพราะว่าเลขมันก็มีแค่สิบตัวแต่นั่นเองเนะี่ยโยงไปโยงมามันก็ถูกเอาเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าถ้าเราไม่ยึดแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไร มันไม่มีอะไรให้ทุกข์หรือแม้แต่ไม่มีอะไรให้สุขเพราะทั้งสุขทั้งทุกข์เนี่ยที่จริงเป็นความรู้สึกเฉยๆอย่างที่ท่านาศาสนาสวรรคแจม่มท่านแต่งไว้หนังสือท่านรมว่าสุขทุกข์ดูที่ใจไม่ใช่หรือถ้าใจถือก็เป็นทุกข์ไม่สุขสายใจไม่ถือก็เป็นสุขไม่ทุกข์ใจถามใจดซูซิเราต้องการสุขหรือว่าต้องการทุกข์กันแนะ่ ก็ท่าน ก, กัุขะพรมก็แสดงความชื่นชมยินดีบอกว่านานหนอข้าพระองค์จึงพบเห็นภิกษุผู้เป็นพรามดับรอบแล้วไม่มีความเพลิดเพลินไม่มีทุกข์ํำพน้นเครื่องข้องในโลกแล้วอันนี้เป็นคุณลักษณะของพระพุทธเจ้าพระอาหารหันต์ทั้งหลายคุณลักษณะอย่างเนี้นะฮะคือคือสมบูรณ์ แต่ทีนี้ท่านฟังลองสังเกตว่าคำว่าพรามเนี่ยโดยความหมายหนึ่งโดยกำเนิดเขาเรียกว่าเบร้บดีพรามเนี่ยก็หนึ่งเขาเรียกอุปโตสุชาติคือแม่ก็เป็นพรามพ่อก็เป็นพรามสองรูปร่างสวยหรือหล่อแล้วก็สามเนี่ยแตกฉานในไซเพศและเวททางกศารศา ที่มีสีนะฮมีปัญญาพูะเจ้าเคยรับสั่งถามมาทัดตัดตัดหนึ่งตัดสองตัดสามจะตัดอะไรได้ปรากฏว่าอีกสามข้อขังต้นนี่ตัดได้แต่ว่าสีนกับปัญญานี่ตัดไม่ได้ผลความเป็นพรามจริงๆมันเน้นที่คุณธรรมไม่ใช่เน้นที่ชาติกำเนิดนนในเวทบงของพรามนะนะน่มาพรามเป็คนตอบพระพุทธเจ้าโก็ตรงกันหลัก ที่พเจ้าทรงแสดงว่าคนจะเป็นคนเลวก็ไม่ใช่ประชาสกุลเป็นคนประเสริฐก็ไม่ใช่ประชาสกุลแต่คนเป็นคนเลวก็ประกันกระทําเป็นผู้ประเสริฐก็ประการกระทําก็แสดงว่าศีลเอาสักห้าข้อหนึ่งแล้วก็มีปัญญาในการาศึกษาเรียนรู้ในการใช้ระบบการคิดอย่างน้อยระดับโยนิโสมนสกิการหรือว่าอาจจะเป็น เข้าถึงชั้นของสมาธิิสอบทานเทียบเคียงนะฮะเอาขนาดนสอบทานเทียบเคียงที่เชื่ออะไรง่ายเกินไปอย่าให้ถูกกระแสจุดกระชากไปจนมาคราวบังคราวมีความรู้สึกว่าสังคมเนี่ยจะไปไหวหรือเปล่ารู้สึกว่าอ่อนไหวจังเลย และในกระแสโลกาฟิวัตเนี่ยถ้าคนมีวุธิภาวะอย่างนี้มีปัญหานะเพราะว่าจะกลายเป็นเหยื่อที่ที่อาจจะไม่ต้องล่าที่ทำไปคือวิ่งเข้าหากับดักเองประการต่อไปก็คือดับรอบไปนิพานนะดับรอบก็ดับที่บ้าง เรื่องอารมณ์ต่างๆที่ผ่านมาในในอนดีตที่ลืมลือนึชบ้างที่ยังไม่มาในอนาคตก็อย่าไปคว้ามันเลยคว้ามันก็เท่านั้นแหละมันไม่มาหรอกอยู่ที่ปัจจุบันพยายามใช้ชีวิตในปัจจุบันขณะอะไรจะเกิดมันก็เกิดละ่ะเราก็ไม่รู้อะไรมันจะเกิดก็ว่ากันไปเป็นกรณีกรณีไปแต่ในขณะเดียวกันเนี่ย คื อ, อยันไหลไปตามกระแสโฆษณาประชาสัมพันธ์เกินไปคือไม่มีความเพลิดเพลินนั่นพระพุทธเจ้ามีความเพลิดเพลินเราก็ลดความเพลิดเพลินลงไปหน่อยแล้วก็ทำทำยังไงให้ยินดีสัปปะรติงธรรมรติชินาติการยินดีในธรรมะชนะการยินดีทั้งปวงการเพลิดเพลินการแสดงเนี่ยก็กระบอ ก, กว่าการแสดง การแสดงคือการเสแสร้งการตีบทให้แตกแล้วก็แสดงเราเสียเวลาไปกับเรื่องเหล่านี้เยอะมากนะอย่างสมมติว่าดูภาพยนต์เนี่ยอย่างน้อยก็สองชั่วโมงหรืออาจจะสองชั่วโมงกว่าแล้วก็เดินทางไปมาอีกเสียเวลาไปเยอะเรื่องบองเรื่องอยางนึกถึงถึงเวลานะเมื่อวันที่ยี่สิบเอ็ดยี่สิสิงหาคมเนี่ยนะ มันไปเจอเรื่องคือตั้งแต่เช้าอนะฮะตั้งแต่เช้าไปอบรมนักเรียนที่มหาวิทยาลัยหอการค้ากลับมาถึงวัดฉันเพนแล้วก็เดินทางไปบรรยายที่วัดวั ด, วดผูก้แก้วโคราชแล้วกลับจากวัดมาถึงก็อาบน้าําก็มาออกอากาศที่ปตอเนี่ยที่เมื่อวันจันทร์เนี่ยแล้วกลับไปถึงวัดก็ไปอาบน้าอีกรอบหนึ่งก็ขึ้นรถนั่งไป บรรยายที่สุราชตอนเช้าแล้ววัตอนเพลงก็ตรีรถกลับมาก็มาถึงวัดก็ก็ดึกแล้วอันนี้เราจะเห็นว่าเวลาพูดเนี่ยมันนิดเดียวเวลาพูดที่ที่ที่โคราชเนี่ยสองชั่วโมงเวลาพูดที่ปอต อ, อเนี่ยสี่สิบ้านาที เวลาพูดทิสุราชเองก็ไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงหรอกครับเป็นเรื่องอภิปรายแต่เราเสียเวลานั่งอยู่บนรถเนี่ยเกือบยี่สิบชั่วโมงแล้วก็เหนื่อยนะนั่งรถเดินทางไกลขนาดนั้นวันหนึ่งต่องเยอะมากเนี่ยแต่นี่ยมันมันคือเรานึกดูว่าเออมันก็เป็นประโยชน์เพราะทิสุราชเนี่ยเป็นงานสาธารณสัมพันธ์ ก็มีคนก็เป็นพันเน่นะฮะเป็นห้องเป็นโรงแรมขนาดใหญ่โคราชก็มีคนก็ประมาณห้าร้อยเดตออเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าคนเท่าไหร่แต่ก็เข้าใจว่าคนคงไม่น้อยหรอกเพราะปัญหาที่ถามมาในวันจันทร์เนี่ยก็ามาจากทิศทางไม่น่าเชื่อนะสงขายังมีเลย สงขาอย่างถามมาวันก่อนยะลาอย่างถามมาแล้วก็ทำไม่มีกำลังใจแต่เราจะเห็นว่าถ้าบางเรื่องเนี่ยมันมันไม่ค่อยคุ้มอะ่ะเพราะงานศาสนาเนี่ยมันงานเราก็มองว่าญาติโยมจะได้ประโยชน์อะไรเราก็พร้อมจะเสียสละเนี่ยเราก็พร้อมจะเสียสละประโยชน์สุกสูวนตัวไม่ว่าอะไรก็ตาม ประโยชน์ส่วนตัวก็เพื่องานพระศาสนาเนี่ยเราก็พร้อมแต่ว่ามันโอนนึกถึงความคุ้มค่าหรือบางทีจมวัดเราไปในที่บางแห่งเนี่ยเช่นว่าเด็กแกไม่สนใจเลยอย่างนี้โอ้ไ ม, ไม่ไม่ได้อะ่ะเสียเวลาเสียเสียหมดเราก็แก่ไปอะ่ะเราแก่ไปปิ๊ปี้เปล่ปาๆอย่างไปโคราชเด็กเรียกว่าแปดชั่วโมงทั้งไปทั้งกลับเนี่ยแปดชั่วโมง อย่างน้อยนะก็แปดกว่ากตีสักเก้าชั่วโมงแต่ไปพูดแค่สองช่วงเองนั้นคือคือเวลาที่เราต้องเสียไปไปกับเรื่องเรื่องเหล่านี้มันมีเยอะมากจ่ได้แต่ว่าเป็นภารากิจที่ต้องจัดต้องทำเราก็นึกถึงว่าสมัยพระพุทธเจ้าได้ต้องเสด็จพุทธดำเนินไปนะกว่าจะถึงก็ว่ากันนาน ยางไงเราเวลานี้เราก็มีรถยนต์เราก็มีเครื่องวินเราก็มีรถไฟเราก็ไปได้เร็วมาได้เร็วแต่เวลาเรก็เสียนะก็เสียไปแต่ถ้าเกิดประโยชน์มันก็เป็นเรื่องที่ดีคุณในสมบัติเหล่านี้จะเห็นว่าไม่มีทุกคือพยายามทุกอย่าไปยึดนะฮ ะ, ะพระพุทธเจ้าทรงใช้คำง่ายๆว่าละเหตุแห่งทุกได้เป็นสุขในที่ทั้งปวง เพลิทุกเนี้ก็พยายามบรรเทาพยายามบรรเทาทุกอย่าอย่าไหลไปตามกระแสกิเลสกระแสอารมณ์มากเกินไปคืออย่าถึงก็หาบทั้งหาบทั้งเทินเนี่ถ้าหาเทินมันหนักเกินไปปล่อยปล่อยาวางให้บรรเทาบาบางลงไปแล้วก็ข้ามพ้นเครื่องข้องในโลกเครื่องข้องในโลกนั่นคือกิเลสนะก็เรียกได้หลายอย่างหลายประเภทด้วยกัน ก็สรุปว่ากิเลส ก, ก็เป็นเครื่องห้องด้วยด้วยดยกันทั้งนั้นแหละอาจจะเรียกว่าตัญหาเรียกอุปาทานเรียกกัญถาเรียกโยคะเรียกสังโยชน์เรียกอนุสัยก็แล้วแต่ก็สรุปว่ากิเลสข้องทั้งนั้นแหละโดยอำนาจความรักหรือความชังทั้งนั้นเองต้องฟังเท่าไหร่เสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้